ตอนที่เจ็ดไม่พูดกับคนนอกตอนที่ออกจากโรงงานผู้อำนวยการโรงงานหยางเป็นคนตัดสินใจมอบจักรยานคันหนึ่งให้ซูมานอินเดิมทีตั้งใจจะมอบเป็นรางวัลให้สหายโจเตอชางอยู่แล้วในเมื่อเป็นแบบนี้เธอก็รับไปขี่เถอะซูมานอินเข้าใจดีว่าผู้อำนวยการโรงงานหยางปฏิบัติต่อเธอเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของโรงงานไปแล้วซูมานอินไม่ได้ปฏิเสธเพราะเธอจาเป็นต้องใช้มันจริงๆเพียงแต่ตอนที่จากมา เธอเงยหน้าขึ้นมองโรงงานขนาดใหญ่แห่งนี้ด้วยความรู้สึกทอดถอนใจในอกในความทรงจำของเธอเมืองไห่เฉิงไม่มีโรงงานทอผ้าอีกต่อไปพื้นที่เหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยโรงงานเคมีและโรงงานเครื่องจักรแทนดังนั้นโรงงานทอผ้าแห่งนี้ย่อมต้องเลือนหายไปตามกระแสทานแห่งยุคสมัยและสูญสิ้นไปในหน้าประวัติศาสตร์ในที่สุดซูม่านอิงขี่จักรยานโดยมีฉินเสี่ยวเย่เว่ซ้อนท้ายเธออาศัยความทรงจำจนหาบ้านของโจวเวยหมิ่นลูกชายคนที่สองพบอย่างรวดเร็ว ที่จริงบ้านของทั้งสองครอบครัวอยู่ห่างกันไม่ไกลนะักแค่ผ่านตรอกแล้วเลี้ยวโค้งเดียวก็ถึงแล้วที่นี่ก็เป็นเขตบ้านพักพนักงานเช่นกันเพียงแต่บ้านหลังนี้เล็กกว่าบ้านของโจเต๋อชางอยู่มากเมื่อทั้งสองมาถึงหน้าประตูซุนจิวหลิงกำลังซักผ้าอยู่ที่ลานบ้านมีเด็กชายหญิงคู่หนึ่งนั่งยองๆ อ, อ, อยู่ข้างๆอย่างว่าง่ายพลางยื่นมือเล็กๆ เ, เ, เข้าไปช่วยลานบ้านไม่ใหญ่นักและมีของวางอยู่ไม่น้อยแต่ทุกอย่างกลับถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นได้ชัดว่าซุนจิวหลิงเป็นคนเขียนขันแข็ง ซักผ้าอยู่หรอจูหลิงเสียงใสของซูมานอินลอยเข้าไปในลานบ้านแล้วเวมินไม่อยู่บ้านเหรอเมื่อเห็นว่าเป็นซูมานอินกับฉินเสี่ยวเยว่าหาซุนจูหลิงก็รีบลุกขึ้นทันทีเธอชักมือทั้งสองข้างออกจากกะละมังซักผ้าแล้วเช็ดไปมาบนผ้ากันเปื้อนต้าฮวาเสี่ยวสวี่เรียกคุณย่า ก, กับอาสไปเรลลูกซุนจูหลิงดึงเด็กทั้งสองคนมาตรงหน้าเด็กทั้งคู่มีอายุประมาณสี่ห้าขวบแม้ควรจะรู้จักทั้งสองคนอยู่แล้วแต่ก็ยังคงมีท่าทางประมาขัดเขิน เมื่อได้ยินคำสั่งของผู้เป็นแม่เด็กน้อยทั้งสองก็เกาะขาเธอไว้แล้วเรียกอย่างว่าง่ายคุณย่าดีค่อาอัสไพรดีค่ะแม้ซูม่านอินจะยังรู้สึกไม่ชินอยู่บ้างแต่เด็กทั้งสองคนก็น่ารักเหลือเกินเห็นได้ชัดว่าซุนจิลลิงอบรมสั่งสอนลูกๆมาเป็นอย่างดีเว่ยหมินไปที่สำนักงานเขตเข้ามาเช้าตรู่คนจากสำนักงานเขตมาหายืนกรานจะให้เขาไปพบให้ได้ชินเสี่ยวเย่เว่นั่งยองๆลงพางกวักมือเรียกเจ้าตัวเล็กทั้งสองให้เข้ามาใกล้มาเร็วอาสไพรมีลูกอมให้กินด้วยนะอยากกินไหมะ ชินเซียเย่ยวเวยาเหยืลูกอามารสดผลไม้ออกมาจากกระเป๋าเสื้อสองเม็ดนี่คือของที่เฉียวหงให้เธอมาก่อนจะออกจากโรงงานท่ผ้าเดิมที่เธอตั้งใจจะเก็บไว้กินเองตอนที่รู้สึกปากว่างแต่พอเห็นเด็กสองคนนี้ว่าง่ายและน่ารักขนาดนี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะหยิบออกมาให้เด็กน้อยทั้งสองไม่ได้ยื่นมือออกมารับในทันทีแต่หันกลับไปมองซุนจิ๋วหลิงผู้เป็นแม่ก่อนรับไปเถอะลูกอาสัยไม่ใช่คนอื่นคนกลายเมื่อเห็นแม่พยักหน้าเด็กทั้งสองจึงยื่นมือออกมารับลูกอมพางกล่าวขอบคุณ ตายจริงทำไมถึงได้ว่า ง, ง่ายขนาดนี้เนี่ยชินเสี่ยวเย่เวอเอื้อมมือไปหยิบแก้มยุยยุของเด็กทั้งสองว่า ง, ง่ายเกินไปแบบนี้เดี๋ยวก็ถูกรังแกเอาหรอกสูมานอินรีบดึงตัวฉินเสี่ยวยาวให้ลุกขึ้นยึตัวแสบคนนี้ขืนปล่อยไว้ไม่แน่ว่าประเดี๋ยวคงพ่นทฤษฎีเพี้ยนๆออกมาสอนเด็กจนเสียคนแน่สุนจิ๋วหลิงเชิญทั้งสองคนเข้าไปในบ้านทันทีที่ก้าเข้าไปในบ้านและเห็นเฟอร์นิเจอร์เก่าคร่ำคร่าสูมานอินกับชินเสี่ยวเย่เวต่างก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง แม้จะมีเพียงโจเว่หมิงคนเดียวที่ทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ตอนที่เขาแต่งงานโจเตอชางก็น่าจะช่วยจุนเจือไปไม่น้อยนี่นาไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแค่ตอนที่ชิ้นเสียวเย่เว่แต่งงานเฟอร์นิเจอร์ที่เตรียมไว้ให้โจเ ว, ว่ตรงยังมีมากกว่าและดีกว่าของพวกนี้ตั้งเยอะที่สภาพเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ของที่มันเก่าเกินไปแล้วทําไมไม่เปลี่ยนใหม่ล่ะคะชินเสียวย่าไม่คิดจะอ้อมค้อมเธอเปิดประเด็นตรงตร ง, ตรงทันที เอาอย่างนี้ไหมพี่มาย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านฉันไปใช้เธอยังไงบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านเช่าต่อไปฉันจะไปอยู่กับแม่เล็กแล้วคงไม่เช่าต่ออีกทาแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะจะนั่นมันเฟอร์นิเจอร์ของเธอกับไว้ตรงนะพี่รับไว้ไม่ได้หรอกซุนจิวหลิงเอ่ยปากไปเช่นนั้นแต่ในใจยังคงมีความรู้สึกอิจฉายอยู่บ้างเด็กทั้งสองคนถือชอบกวัดเขียนเล่นกันอยู่ที่พื้นดินหน้าบ้านไม่มีทีท่าว่าจะเข้ามาขัดจังหวะการสนทนาในห้องแต่อย่างใดเฟอร์นิเจอร์พวกนี้แม่สามีทิ้งไว้้ใหหไววมิิิงงก่่่อนนนทททาาจจะะะเสียํละคะ ซูมานอินได้ยินเช่นนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าโจ้เว่หมิงคนนี้เป็นลูกตันยูจิวหลิงหลายปีมานี้เจ้าต้องเหน็ดเหนื่อยดูแลบ้านลำบากเจ้าแล้วนะซูมานอินก้าวเท้าเข้าไปหาซุนจิวหลิงอย่างช้าๆกูมือของนางไว้ก่อนจะหยิบธนบัตรจิงกังซานออกมาใบหนึ่งแล้ววางลงบนฝ่ามือของนางนี่คือเงินหนึ่งร้อยหยวนแม่ให้เจ้าไว้ในยามที่ชีวิตบีบคั้นก็ควรจะหาความสุขใส่ตัวบ้างแม่ขานีนี้ไม่เหมาะสมเลยค่ะ ซุนจิวหลิงพยายามผลักมือปฏิเสธแต่คาดไม่ถึงว่าแรงของซูมานอินจะมากกว่านางเสียอีกรับไปเถอะแม่ให้เจ้าและก็ให้พวกเด็กๆ ด, ด้วยรับไว้เถอะค้าพี่สะพายเงินนี้โรงงานเป็นคนบริจาคมาให้ชินเสียวย่าช่วยพูดเลียกล่อมอยู่ข้างๆถ้าพี่ไม่รับจะบอกว่าไม่ยอมรับแม่ของเราหรือ ย, ยังไงคะยอมรับสิจะไม่ยอมรับได้ยังไงกันซุนจิวหลิงรับเงินมาด้วยจมูกที่เริ่มแดงเรือจิวหลิงเก็บเงินนี้ไว้ให้ดีอย่าได้ไปบอกคนนอกเด็ดขาดเข้าใจไหม ทราบแล้วค้าแม่เงินทองไม่ควรให้ใครเห็นค่าเข้าใจดีคะ่ะซูมานอินมองดูเวลาเกรงว่าจะไม่ทันการจึงเตรียมตัวจะไปที่สำนักงานเขตสักกรอบทว่าพอเพิ่งจะลุกขึ้นก็ได้ยินเสียงเด็กทั้งสองคนตะโกนเรียกคุณพ่อซุนจิวหลิงรีบก้าวออกไปนอกประตูเห็นสีหน้าของโจเว่หมินดูไม่ค่อยดีนะักจึงเข้าไปใกล้แล้วกระซิบถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่มีเรื่องใหญ่อะไรหรอกว่าแต่จักรยานในลานบ้านนั่นของใครกันของแม่เอง ซูมานอินเลิกม่าลูกปัดยาเดินออกมาจากห้องด้านในโรงงานให้แม่มานักเขาให้แม่มาตามเจ้ากลับไปช่วยงานด่วนช่วยไม่ได้หรอกครับโจเวยหมิ่นตอบด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดสำนักงานเขตให้ผมตอบรับเสียงเรีกร้องของรัฐให้ขุดพ่อขึ้นมาเผาแล้วค่อยฝังใหม่เมื่อคิดว่าพ่อของตนตายไปแล้วยังต้องมาถูกรบกวนอีกเขาก็รู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีแถมยินต้องเสียค่าปรับแล้วยังจะถูกประกาศตําหนิในโรงงานอีกอ้าวทาไมถึงมีกฎระเบียบแบบนี้ล่ะคะ ซุนจิวหลิงได้ยิงก็เริ่มล่นลานไม่ใช่สิตอนที่ซื้อลงศพก็ไม่มีใครบอกพวกเราเลยนี่นาชินเสี่ยวเย่เวเองก็มึนงงไปหมดนางหันไปมองซูมานอินแล้ว พ, พึมพำเบาๆมันรุนแรงขนาดนี้เลยหรอคะซูมานอินพยักหน้าสำหรับคนที่ทำการฝังศพโดยพลาการมีกฎระเบียบให้ขุดศพขึ้นมาเผาและเสียค่าปรับจริงๆแต่ประเด็นสาคัญอยู่ที่คาว่าโดยพลาการซูมานอินวิเคราะห์อย่างใจเย็น หากเรื่องนี้เป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโรงงานท่ผ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐย่อมไม่มีทางไม่รู้กฎนี้และพวกเขาไม่มีทางที่จะไม่เตือนพวกเจ้าเท่าที่แม่รู้เมืองไหเฉิงของเราพื้นที่กว้างขวางแต่ประชากรเบาบางการคมนาคมก็ไม่สะดวกหากจะเผาศพต้องลากไปถึงอำเภอข้างๆดังนั้นส่วนใหญ่น่าจะเป็นการารณรงค์ขอความร่วมมือไม่ใช่การบังคับอย่างแน่นอนโจวเวยหมินฟังซูมา่านอินวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลในใจจึงเริ่มเกิดความเชื่อมั่นในตัวนางขึ้นมาหลายส่วน แต่สำนักงานเขตออกหนังสือแจ้งเตือนมาแล้วนะครับกำหนดระยะเวลาให้แก้ไขด้วยโจวเวยหมินพูดพางหยิบหนังสือแจ้งเตือนที่มีตราประทับออกมาจากกระเป๋าซูมานอินรับมาดูแล้วก็ยิ้มออกมาทันทีแม้แต่เอกสารอ้างอิงก็ไม่มีวันที่ก็เว้นว่างไว้ช่างบังอาจกันจริงๆเอาเถอะเรื่องนี้ปล่อยให้แม่จัด ก, การเองซูมานอินพับหนังสือแจ้งเตือนเก็บใส่กระเป๋าจากนั้นจึงกําชับโจวเวยหมินรีบไปเตรียมเครื่องมือเถอะเครื่องจักรที่โรงงานเสียอย่าให้เสียงานผลิต ซุนจิวหลิงได้ยินดังนั้นก็รีบเข้าไปในห้องเพื่อช่วยเขาเตรียมของเด็กน้อยทั้งสองคนก็วิ่งตามเข้าไปในห้องราวกับหางตัวเล็กๆซูมานอินมองตามแผ่นหลังของซุนจิวหลิงไปไม่รู้ทำไมจูจ่ๆนางก็คิดถึงแม่ของตัวเองขึ้นมาจริงด้วยเว่ยหมินซูมานอินหยิบธนบัตรจริงกงระซานออกมาอีกใบแล้วยัดใส่มือโจเว่ยหมินนี่เป็นเงินบริจาคที่โรงงานให้มาเจ้าเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินเถอะเมื่อเห็นโจเว่ยหมินยังคงยืนอึ้งนางก็รีบยัดเงินใส่กระเป๋าเสื้อของเขาจะไม่อยากไปบอกคนนอกล่ะ